ต่อจากนี้ไปเป็นการอรหํทวชา 11 เมษายน 2540 เนื่อง 21ณพุทธสถานสารี นะเอาวรรคข้อก่อนนะไอ้ที่เรายาวๆคงจะไม่ได้วรรคข้อกับวิชา 9 นะถ้าคุณจํา 3 หมวดหรือญาณทัสสนะแล้วก็มโนมยิทธินี่หมวดที่ 1 นะวิชา เริ่มต้นตั้งแต่ไม่คบสัตตบุรุษนี่ก็ บารีบุรณ์ไม่ศรัทธาอย่างบารีบุรณ์ไม่เป็นสัตถินทรีย์ไม่เป็นสถาภละไม่เป็นศรัทธาที่เป็นสัมมาทิฏฐินะเป็นศรัทธามิจฉาทิฏฐิอะไรก็ไปกัน ไม่แยบคลายไม่ละเอียดละออไม่ถ่องแท้ไม่ถูกถูกถูกดีไม่ละเอียดละออไม่ถ่องแท้ไม่ถูกต้องดีแล้วก็ไม่เกิดมนสิกการ เพราะงั้นถ้าเผื่อว่าไม่มนสิการไม่เพ 6 นี่ 3 ตัว 3 3 3, 3 ข้อนะโยนิโสมนสิการสติ อีกต่อมา 3 หรือ 4 ถ้า 4 ก็เต็ม 4 ก็ประจงถ้าไม่อ่า 3 คือกายกรรมวจีกรรมมโนกรรม 3 ถ้า 3 เป็นสุจริต 3 เป็น ถ้ากรรมจะสามไม่เป็นสุจริตเจริญอภิชฌาเจริญเจริญเจริญงอกงามแน่นอน ฟังกันอ่าอย่าไปเอาแต่ค้านแต่แย้งเอาแต่หัวไอ้เรื่องอย่างเดียวให้ไม่ใช่ฟังธรรมหรือฟัง เกิดผลในการฟังธรรมมีอนิสงส์ เป็นฐานที่สอนช่วยกันรับมาเชื่อเห็นตาม เพราะฉะนั้นเพราะว่าถูกต้องมาหมดเลยนะฟังมาได้ฟังสัตตะบุรุษบริบูรณ์เอาวิชาก็ แหมมันลึกมันกระจ่างมันมั่นใจมันก็เกิดศรัทธายิ่งขึ้นยิ่งเชื่อ อินซี 6 รู้จักตางูจมูกลิ้นกายรู้ทันให้เร็ว ที่เกิดจากทวารทั้ง 6 ภัสสะทั้ง 6 เนี่ยเราก็ได้สั่งสมฌานเนี่ยอธิบายเข้าไปในนี้แล้วนะเข้าคือศีล เดี๋ยวเราจะสมาทานเพื่อให้เหมาะสมกับเราคเนขนาดจริงๆให้เกิดกรรมที่มันสอดคล้อง ภูตะพอสําเภาสระอูตอเต่าเนี่ยแปลว่าวิญญาณจิตวิญญาณหรือความจริง กรรมทุกผู้ปูเตๆเป็นฌานที่เป็นฌานลืมตาเป็นฌาน ซ้อนได้ผลได้ผลได้มรรคได้ผลขึ้นไป นะแน่ๆนะต่อมาก็อิทธิวิธีอ่าเรามาถึงอิทธิวิธีเนี่ยอาตมา ไม่หวั่นไหวอเนชปัตเตนะนี่เป็นองค์องค์ธรรมของแล้ว Uh, น่ะโคลนนิ่งนี่อย่าไปเข้าผิดๆมันยังจะทันพาไป uh, uh, เปเป copy เป็นการการ copy เชื้อ copy แบบ copy เซลล์เอาเซลล์เอาเยื่อ ของของของอะไรก็แล้วแต่เค้าทํามาตั้งแต่เป็นชีวะในระดับของเดิมเหมือนเดิมจนกระทั่งถึงสัตว์ก็ได้พันธุ์เดิมเหมือนเดิมเหมือนเอามากๆอ๋อนี่ เขาเซลคนมาแล้วก็จะมาพยายามให้เกิดจะมีวิธียังก็แล้วพระพุทธเจ้านัยะใครเอกโกปิุทธวาพหุถาโหติมี 1 เอกโกปิุทธวาน่ะเกิด 1 แล้ว นะให้เกิดไปมอกเป็นหลายเป็นพันเป็นอเนกก็ได้นะเพราะอะไรเกิดพระพุทธเจ้าเกิดองค์เดียวอริยะเป็นอรหันต์องค์เดียวซาไม่เกิด ใครเหมือนพระพุทธเจ้ามากเท่าไหร่ก็คือพันแท้เท่านั้นอ่าใครไม่ เนรมิตกายอยู่ในศาลาเต็มเลยเป็นเนรมิตกายแบบอีก 3 วิธีว่างั้นนะอ่าอะไรพระอะไรพระรัฐรัฐปาละหรือเปล่าฮะโอจุลปนดกอ่าพระพระจุลปนดกอ่าเนรมิต อะไรนี่เป็นต้นเหมือนกันของพวกเรานี่มีความเหมือนเหมือนหมดอย่างที่เราเคยได้ แต่เค้าบอกว่ามันยิ้มเหมือนกันอันนี้มันนัยยะลึกๆของเค้านะเค้ารู้สึกสัมผัสแล้วเค้าแตแตแต 80 ปีหรือเนี่ยเค้าก็เชิญเรา เขาไปเราก็ไปจับพวกเราก็ไปชาวโสเราก็ไปเค้าก็มันจะใหม่เหมือนกันเปิดตัวเค้าก็ถามคนนี้มาก็ก็ถามซักแซะได้อยู่ยังไงปฏิบัติยังไงอะไรยังไงยังไงเสร็จแล้วก็ก็บอกถามใครมันก็พูดเหมือนเหมือนกันหมดพวกนี้มันทําไมมันซักซ้อมกันมายังไงมัน จุดจึกเลยบางคนก็พูดหวานบางคนก็พูดมีลีลาบางคนอ่าหรือแม้แต่สำนวน แสดงว่าเราเป็นเอกกี่ภาวะเป็นความเป็นหนึ่งเดียวกันจากหนึ่งเป็นจากมากๆเนี่ยมันมันก็เป็นอันเดียวจากมากๆเนี่ยเป็นๆเนี่ยมาอะไรพหุพหุ ภาหุปิหุตตวา เอกो ภาหุปิหุตตวา เอกो โหติอ่าภาหุปิหุตตวา เอกो โหติจากมากๆนี่ ทำไปแล้วก็เกิดอะไรในตอนนี้ก็จะจะโคลนนิ่งได้แล้ว ยุ่งใหญ่เลยอย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นการที่เหมือนกันแต่คุณภาพที่ดี หมายความว่าอยู่ในเรือนก็คือคนในหมู่คนเพราะมันชิดมันใกล้กันรู้ว่าต่างแตกๆคนมัน พอละเอียดละเอียดๆอ่านี่ลักษณะคล้ายๆนี้เราแล้วทะเลาะกันอยู่เรื่อยๆเลยพวกนี้ไม่ดีขัดเกลากันด้วยขัดก็เพื่อให้เข้าสู่สู่ความเป็นหนึ่ง เพราะฉะนั้นเราจะต้องรู้จักการขัดเกลาด้วยการอภัยรู้จักการประสานรู้จักการสมานรู้จัก นัยยะแค่ถ้าเพราะเขาหยาบคําเพราะไม่รู้ในนัยยะละเอียดหรอกแต่ว่าพหุพหุทาปิ หุตวาเอกโคโหติเนี่ยต่อมาทําให้ปรากฏก็ได้ทําให้หายก็ได้ ถ้าพูดถึงปุคคลจิตฐานมันก็แค่นั้นเข้าใจแล้วทีนี้พูดถึงธรรมาธิฐานพูดถึงอิทธิวิธีทําให้หายไปก็ได้ทําให้เกิดก็ได้ เอาให้หายไปยืนนานก็ได้ยึดก็ได้วางก็ได้มาเกิดอย่างยิ่งเกิดอย่างถาวรเที่ยงแท้มันจริงนะให้มันจริงนะวางให้มันได้มั่งมันวาง น่ะเนี่ยเนี่ยเป็นอิทธิวิธีเป็นเรื่องที่เราต้องเข้าใจให้ลึกซึ้งเอาล่ะคุณจะๆอ่ะนะมือไทยนี่ก็ยังลือนะเออบุญ นะยอมบนเดินตรงบุญเต็มชีหายตัวได้เค้าว่าหายตัวได้ไปอยู่ในฝนตกนี่ไม่ เราไม่ไปดูถูกไม่ไปว่าไอ้กิจที่วิธีแบบรูปธรรมแบบยากถึงแม้ได้แล้วก็ไม่ค่อย ถ้าทําได้อะไรควรให้หายไปมันนิสัยเราไม่ดีฤทธิ์เพราะฉะนั้นเปลี่ยนหายไปทําให้หายไปได้ๆเกิดขึ้นมาอ่ะอย่าง น้าแล้วก็เอาเถอะน่ะจะทะลุกําแพงภูเขาอ่าไปถึงกับวัดหายจากภูเขาด้านนี้ไป ไม่อย่างนี้สิไม่ในคนเนี่ยทุกวันนี้สังคมเมืองนี้สิจิตที่วิธีอย่างนี้สิในคนเนี่ยทุก ทะลุไปทะลุมาไม่แปดไม่เปื้อนไม่เจ็บไม่ต้องไปออกแรงอ่าอยู่ได้อย่างสบายทะลุภูเขากำแพงอย่างนี้สินะพิเศษพิสูจน์ให้ได้อ่าไม่ใช่บินหนีภูเขาหนีกำแพงหลบไปอยู่ในรูอ่าไม่ใช่อยู่ในกองภูเขานี่ ไม่ต้องกลัวภูผาไม่ต้องกลัวไอ้อะไรต่ออะไรต่างๆที่มันต้านมันกั้นไม่ต้องกลัวสิ่งที่ ใครจะดำดินจริงๆก็ดำไปเถอะน่ะพิเศษที่สุดแม้ว่าเหาะ โลกกี่เข้านี่เค้าดำลงไปในดินไม่ได้หรอกใช่ป่ะคนไม่มีคุณวิเศษดำลงไปในดินไม่ได้คนไม่มีฤทธิ์เดินบนน้ําก็เดินไม่ได้เหาะไปบนอากาศเค้าบริหารท้องมีจีวรบริหารกายเหมือนนกบินไปได้ทั่วทิศาจะไป ลอยได้แล้วก็ปาฏิหาริย์บอกว่าไอ้นี่มันทําไม่ได้หรอกจะดันยังไงเนี่ยดําไม่ได้เป็นเฮ้ยมันทําได้ ใครมันจะหนีได้โลกธรรม 8 เอ่อธรรมดาคนมันก็อยู่อย่างนั้นน่ะเออบนดินโอ้นี่มัน ทวนกระแสหมดคนละทางเหมือนคนละอย่างดำเป็นขาวขาวเป็นดำดินมันดำลงไปได้น้ำมันเดิน อย่างแปลกมีความประหลาดกับกันทวนกระแสคนเรื่องเลยเอ่อดินก็จะเดินบนดินไปธรรมดาจะเป็นดำเข้าไป รูปครรมพระจันทร์พระอาทิตย์ซึ่งมีฤทธานุภาพมากด้วยฝ่ามือก็ได้ ไม่ต้องถึงขนาดละลายแล้วแต่เราก็สามารถที่จะมีปาฏิหาริย์มีอิทธิวิธีสามารถอยู่เหนือสิ่ง ลูกธรรมพระอาทิตย์ประจันเราขมฤทธิ์อะไรจะไปยิ่งใหญ่เท่าพระอาทิตย์ประจันนี้เป็นต้นนะลูกเช่นคน เขาใหญ่เหมือนพระอาทิตย์ประจันอ่าเป็นตัวอํานาจใหญ่เลย<ใช> เข้าใจมั้ยแต่ไม่ใช่เป็นรูปหัวล้านเค้าจริงๆระวังแล้วก็เตะเอาแล้วนะเอ่อจะทั้งๆที่เราเองคนมา อ่าธรรมนาทางกายชนะทางกายไปตลอดพรหมโลกก็ได้ ก็หมายความชนชัดเจนเราต้องเข้าใจว่าพรหมลักษณะสมัยโบราณสมัยก่อนนี้ศาสนาพราหมณ์ศาสนาพราหมณ์เค้ารู้จักวิเศษสุดยอดพรหมหรือ พระเจ้าโดยตรงเจ้าโดยตรงไปที่แดนนั้นพรหมโลก 6 มีเมตตาทางกายกรรมสมบูรณ์ มีเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขา 6 มีเมตตาทางกายกรรมเมตตาทางวจีกรรมเมตตาสมบูรณ์มีเมตตากรุณามุทิตาๆ4 มีๆ4 เมตตาๆ เมตตาคือความปรารถนาให้ผู้อื่นพ้นทุกข์กรุณาคือลงอุเบกขาก็คือวางเลิกอุเบกขาเฉยจบรู้ที่ ทุกคนต้องเป็นพรหมอย่างนี้พวกเราต้องเป็นทุกคนเป็นไม่ขัดแย้งเป็นความจริงแต่ต้องเข้าใจว่าอะไร แต่ก็มีขัดแย้งกันอย่างภาษาอย่างสบือไม่แต่มันไม่ขัดแย้งในเรามีพระเจ้าพระเจ้าคือจิตปัญญาพระเจ้าไม่มี จนสมบูรณ์เป็นองค์ประชุมเป็นรูปเป็นกายเห็นได้แม้แต่คนตาบอดไปตลอดพรหมโลกไปทั่วหมดเลยไปตลอดพรหมโลกหมายความว่า ตลอดพรหมโลกอิทธิวิธีเห็นมนุษย์ธรรมดาเป็นได้อาตมาก็ เอ่อโลกมนุษย์อโศกโลกโลกอะไรเนี่ยเป็นโลกเอเอ 6 มาเนี่ยจะมีความระลึกถึงกันมา 6 ก็ 7 6 อ่ามีสารณิยะสารณิยะคือความระลึกถึงกันมีปิยักกะระณะมีความรักกันคนแก่คนเฒ่าผู้ใหญ่เด็ก มีดีมีชั่วปนกันเพราะอย่าไปลบ ดังบางอย่างเป็นวาสนาบารมีก็อู้ยากไม่มันไม่ไป พรรณราเราก็อยู่ด้วยกันอย่างที่มีสารามัยธรรมอย่างที่ว่านี้มีครุกรณะมีสังคหายะมีการเกื้อกูลกัน มีอภิปาคัดยากอย่างนั้นอย่างนี้ๆฟังกันๆตกลงกันดีๆอะวิวาธะอ่านี่ 6 แล้ว 7 มีเอกีภาวะ มีคุณลักษณะ 7 ประการนี้มันจะน่าชื่นชมขนาดไหนทําไม่ได้นะถ้าพระเจ้าฝากเราไว้แล้ว มันต้องให้มีความจริงต้องให้มีความจริงอ่าให้มีความจริงๆความระลึกถึงกันในพวกเราก็น้อยน่ะไม่ค่อยคิดโหยหาอาวรณ์คิดถึงแต่เจ้าเอออันนี้ ตินเช้า look, Commoditiagitก็ต้อง setting up to hire bifrisch to hte chiun aonde, room to help people oil,서 what is the reason for who do to help people while человек Oliver based on why person is 빛, durum seldom företagal Sabbath, когоến Vinod is beyond people who have to deal with all the other questions 그들은 how they can't go to work жat the person who has more than what is going to help people า 살ó if you go to Sonic خ glimpse Reb ASA episodes is the same C tenant who น่ะไม่ใช่ว่าปล่อยปะละเลยกันไม่เกี่ยวไม่คล้องกันเลยเรามาเรียนธรรมะพระพุทธเจ้าว่าให้ปล่อยให้ ลืมหน้าพ่อเลยจําหน้าไม่ได้เลยมันผิดนี่พูดให้มันชัดเออก็คงจะ ไม่ได้รักอย่างกามหรอกแต่ก็ผูกพันอู้ยติดกันเป็นปัดต้องโกผากกันไม่ได้อะไรกันไม่ได้ตายจากกันแล้วเนี่ยมันก็เกินไปมันต้องรู้สัจจะความเอ ท่านเปรียบเทียบอาตมาไม่อ่านแล้วนะ จะเป็นช่างเอ่อทองรูปพันธุ์จะเป็นผู้ที่ทําอะไรก็แล้วแต่ก็ทําได้สําเร็จหมดเมื่อจิตของเราเมื่อเราทําให้จิตของเรานี้แล้วเราก็จะ ปฏิบัติแล้วกิเลสมันเป็นตัวต้านเพราะฉะนั้นถ้าผมว่าเรารู้จักกิเลสรู้ๆนานๆแล้วคุณก็จะรู้ว่า ไอ้โจรเห็นหน้าวิปัสสนาญาณเหมือนโจรเจอตำรวจมันจะๆน่ะมันจะเร็วอ่าคุณภาพมันก็จะสูงขึ้นเรื่อยๆจากวิคคัมภนปหานตทังคปหานปหานอย่างโอ้โหต้องต่อสู้กดข่มกันวิคคัมภนปหานตทังคปหาน ก็ทําได้จนเป็นอย่างช่วงไปจนกระทั่งทําได้ติด นิสสระณปหานจนกระทั่งสุดท้ายเป็ดขาดสมุจเฉทปหานซักซ้อมไว้เถอะฝึก มันไม่ได้ไปพาซื้อแบบได้ยินเสียงเปิงมาได้ยินเสียงกลองได้ แต่แท้จริงก็ปรารถนาทําให้มันพยายามที่จะไม่ให้มันด่างมันแรงฌาน จนกระทั่งเกิดฌานได้มากได้สูงไม่ใช่ฌาน 3 ขั้น 4 มันก็ยืนเดินนั่งนอนมีทวารทั้งเวทนาในเวทนาวิจัยจิตใน โสดาจะไปเทศได้ทํางานให้กายโตกว่าตัวเองเพราะว่าช่วงต้นนี่จะเหมือนกันเพราะทิพยโสดก็ เธอย่อมได้ยินเสียง 2 ชนิดคือเสียงทิพย์และเสียงมนุษย์น่ะเสียงทิพย์ไปเสียงมนุษย์คนเข้าโรงพยาบาลบ้าน่ะได้ยินเสียงอีกอย่างนึงเหมือนกันนะนั่นไม่ใช่เสียงทิพย์หรอกเสียงมันเสียงปลอมมันเสียง เสียงทิพย์ก็หมายความว่าเสียงที่มันพิเศษขึ้นมาจากมาปั๊บอาตมาฟัง อันนี้มันพูดด้วยโทสะอันนี้มันพูดด้วยโมหะว่าโธ่พูดอย่างรู้เรื่องพูดหลงๆเลอะ ได้ยินเหมือนก็ได้ยินเสียงเด็กมาจากไกลมาจากไกลก็ได้ยินนอกจากไกลได้ยินแล้วนี่เสียงใกล้ๆบางทีได้ยินแล้วมันก็ไม่ ก็เมื่อโอ้อย่างนี้เสียงอย่างนี้สอลักษณะราคะเสียงอย่างเอออย่างนี้ เสียงสังดังนี้บ้างเสียงบรรเลงดังนี้บ้างเสียงเปิงมาดัง ดูกระมังมหาบ่ผิดนี่แหละสามัญญผลๆวิชชาข้อๆยิ่งไล่ไปเรื่อย ของอันอื่นต่างจากของตนด้วยอันต่างจากปะอันอื่นต่างเป็นเสียงสองของตนด้วยจับเสียง ก็ฟังเอ้อพวกนี้มันไม่ได้พูดเรื่องที่มันพูดธรรมดาแล้วธรรมะ ฟังของคนอื่นก็ตามฟังของตัวเองก็ตามมีความรู้มีญาณรู้เพิ่ม ลีลาแตะอังนิวาอย่างนี้อ่าลีลาอย่างงั้นอย่างงี้ลีลาเป็นเชิงกามลีลาเป็นเชิงประชดลีลาเป็นเชิงโทสะเป็นเชิง กายกรรมวจีกรรมมโนกรรมหรือแสดงออกทางๆรู้สิ่งวิเศษเพิ่มขึ้นจาก เออมันก็คือคนไม่รู้อะไรเพิ่มถ้าคนรู้ก็จะมีสามารถวิจัยจะรู้อะไรอะไรเพิ่มเติมมันก็คือคน ปรับได้ทันรู้เท่าทันของตัวเองก็ ตัวเจโตปริญาณอาตมาพูดถึงมากมายแล้วไม่ก็คงคิด อัมมิทโทสะก็รู้ว่าจิตมีโทสะจิตปราศจากสังคิตตะวิกขิตตะ จิตมหารคตะมหารคตะก็รู้มหารคตะแปลไม่ออกแล้วตอนนี้ในนี้ก็ไม่แปลแล้วทับศัพท์เลยจิตมหารคตะก็รู้ว่าจิตมหารคตะจิตอมหารคตะจิตไม่เป็นมหารคตะก็ <c oughs> น่ะยิ่งกว่าก็รู้ว่าจิตที่เอ่อมีอะไรจิตที่มีจิตอื่นยิ่ง 16 น่ะเปรียบเหมือนก็หนุ่มสาวที่ชอบการแต่งตรวจจิตตรวจใจตัวเองหมดเลยตั้งแต่ชอบแล้วโห แก่มาแล้วมันตกกลากตกเหลอก็ช่างมันเถอะไม่ค่อยเท่าไหร่แต่หนุ่มๆสาวๆนี่ไม่ได้สิวขึ้นเป็ดนึงไม่ได้อื้อจะเป็นจะตายฝ่านิดนึงไม่ได้มันรักสวยรักงามจริงๆเลยน่ารักน่า ตรวจจิตของเราอย่าให้ตรวจไฟเกิดฟ้าเกิดไอ้กิเลสตัณหาอุปทานหยาบกลางละเอียดไว้เสมอๆเสมอๆเสมอๆอยู่นี่ก็ ในรายละเอียดของการข้ามชาติของท่านเนตตพุทธไว้ว่าอย่างนี้อ่ะอะอาตมาไม่อ่านตอนต้นคือเหมือนกันซ้ําๆเหมือนกันคือระลึกชาตินึงบ้างชาติบ้าง 3 ชาติบ้าง 5 ชาติบ้างเป็นปุคคลาธิฐาน ตลอสังวตกับวิวัตกับเป็นอันมากนะสังวตกับก็คือวัดตะหรือแล้วมันสังวตกับ ไอ้ที่มันรวบรวมไม่ได้ระลึกไม่ได้บางๆๆรายๆมันๆน้อยๆจะเป็นชาติหรือไม่เป็นชาติก็ยังไม่รู้ หรือต้องประกอบก็ไม่ค่อยดีเลยนับก็ไม่ มีโคดอย่างนั้นเนี่ยอาตมาอยากจะขยายความตรงนี้ให้ชัดเรา มีอาหารอย่างนั้นเสวยสุขเสวยทุกข์อย่างนั้นอย่างนั้นมีจาก เอ่อพรหมหรือไม่เป็นธรรมแล้วไปเป็นผีอะไรก็ไม่รู้กับ เกิดเป็นลิงก็กินผลไม้เป็นอาหารเอ่อมาเกิดเป็นงูก็กินกบกินเขียดเป็น ไปเกิดเป็นงูก็ไม่เห็นจะต้องรำลึกไปทําไมเราว่าจะต้องกินไอ้กบกินเขียดกินมันไอ้สัตว์อะไรเป็นอาหารมัน โอ้เมื่อ 7 ปีที่แล้วน่ะเราเกิดอ่าชื่อผีอะไรล่ะผีกระหมวดมันดุไปได้นี่ชื่อผีเปรตชื่อ มันกินแหลกเลยมันจะเอาแหลกเลยโอ้โหโคตรเปรดเลยนะนะมี ขาบโคเลือดเปะเลยอะไรก็แล้วแต่น่ะรูปอย่างนั้นผิวพันธุ์อย่างไม่เลือกเลยกินจอบกินโอ้โหแมะตะกระตะกลามก็เท่านั้นมุมม้าก็ อาหารเลอะไปหมดเลยเข้าอาหารอย่างนั้นเสวยสุขเสวยทุกอย่างนั้นอย่างนั้นโอ้โหได้กินขี้ก็สุขอูยสุขจริงสุขจริงเอ่อ มาบัดนี้เมื่อ 7 ปี 10 ปีที่แล้วเราเคยสุขอย่างนั้นเพราะได้ลาบอย่างนั้นได้กิน นาวาบุญนิยมอ่าชื่อโสดานามสกุลแซ่พุทเดี๋ยวนี้ชื่อนั้นนามโอ้แต่งตัว ม.ศ. เมื่อนะแต่ก่อนนี่เช้งผิวพันธุ์อย่างโน้นสะอาด คิ้วสะอาดไม่ถูกพอกไปด้วยทีเขาหลอกแต่ก่อนเขาหลอกพอกเยอะสะอาดไม่ถูกพอกไปด้วยที่เค้าหลอกเก่งนี่โอ้ดีเนาะดีอ่า มันคนไม่มีบุญก็ถูกหลอกมานะไปเปะไปเลอะไปอะไรไปน่ะอะไรอย่างนี้ คุณระลึกสิตรวจสอบสิบุพเพนิวาสานุสติญาณอย่างนี้มีผลมีประโยชน์ไปบุพเพแล้วว่าโอ๊ยเกิดชาตินั้นเป็นลิงเกิด บางคนก็แม้เราเกิดเป็นหมูเป็นหมาชาติโน เป็นวงวนที่เราวนเวียนในวาระนั้นในยุคนั้นกาละช่วงเท่านั้นวัน นานละตมาว่าบ่อยเลยตอนนี้พวกเราเยอะเลยตอนนี้ 5 วินาทีโอ้รู้ตัวแล้วรีบเอออดีตคืออดีตมันคิดแล้ว พอตัวโอ๊ยยาเรากลายเป็นปีศขโมยไปแล้วเกิดเป็นปีศขโมยไปชั่วไว้ปั๊ดนึงเปลี่ยนแปลงโทสะก็ ให้มันมากชาติร้อยชาติพันชาติหมื่นชาติแสนชาติเห็นความจริงได้มั้ยเห็นมั้ยได้หมดชาติชาแสนชาติไอ้ระลึกได้บ้างไม่ได้บ้างเป็นสังวตตกับวิวัตตกับบางทีก็เปิกกับปอยไม่เป็นชิ้นเป็นอันเท่าไหร่ระลึกได้เล็กๆน้อยๆบางอันดูโอ้โหชัด มันไม่ก็ได้ยิ่งก็ได้เพราะเราระลึกได้ยิ่งยิ่งอัน เสลแล้วโอ้งงงาวเหมือนกับคนงมงายที่อะไรก็ไม่รู้ขี้เกียจกดเท่านั้นขี้ค้านเท่านั้นแหละรวยมีเงินงี้นั่นน่ะตกยากนะนั่นน่ะตกยากนะโอ้ตอนนี้เราได้ดีมื้อนี้โอ้โหตอน ได้ดีหรือตกยากกันแน่พูดภาษายากนี่ยังเป็นต้นเราจะชัดเจนในสิ่งเหล่านี้ขึ้นมาเอาว่ากันไปอีก จะถึงขั้นที่จะต้องพูดธรรมะลึกๆสูงๆพวกนี้ก็คงจะต้องพูดต่อเราทําได้ไหมระลึกไปวันที่ ตรวจสอบเราไปเกิดเป็นอะไรเร็วรู้จักความเกิดความดับไหร่ยิ่งดีแก้ไขปรับปรุงได้เร็ว จิตวิญญาณเกิดการเกิดนี้มันจิตทั้งเกิดทั้งพ่อทั้งแม่อ่าแม้แต่กายกรรมวจีกรรมมโนกรรมหรือสุขเกิดในที่นี้ท่าน <c oughs> เลวประณีตผิวพันดีผิวพันสามได้ดีตกยากโดยทิพประจักษุอันบริสุทธิ์ล่วงจักขุมนุษย์พอ มีผิวพันดีผิวผําพันสามอย่างใดที่ถูกต้องอาตมาพูดตอนเมื่อกี้นี้แล้วอ่ะ มาดูอะไรต่างๆเสื้อผ้าหน้าแผลมันไม่สะอาดสะอ้านมึนสกปรกไม่สุภาพเข้าไหนเค้าก็ไม่อยากให้เข้าๆที่มันขมุกขมอมจริงเหมือน มันเพราะอะไรมันพอดประสาทไม่ดีๆมันไม่ๆเสื้อผ้าเก่าจริงๆแต่ของเรา เรารู้จักว่าเราเกิดนะอะไรหยาบอะไรประณีตอะไรเลวอะไรประณีตอะไรผิวพันอะไรผิวพันสามได้ดีหรืออย่างไรอย่างเกิดกิเลสเลื่อนชั้นจุติกิเลสดับสิ่งเกิดจึงเกิดสิ่งดับเมื่อเรารู้ตาย จุตกับตายกับเกิดรู้ว่าอะไรตายอะไรเกิดจุตตะเนี่ยรู้จักความเป็นกับความไม่เป็นรู้จักความเกิดความดับตายกับเกิด สุดท้ายละเอียดละออไปจนท่านถึงรู้ น่ารู้สิ่งจริงพวกนี้จนกระทั่งรู้ ก็ไม่มีแล้วอะไรที่มีควรมีอยู่ก็มีอยู่จิตที่สะอาดบริสุทธิ์จิตเพราะฉะนั้น มีความปรารถนาได้และเอาไว้ใช้เอาไว้อาศัยทําอะไรรู้สําคัญมั่นหมาย เพราะฉะนั้นผู้ที่อยู่เหนือชั้นเป็นโลกุตระบุคคลชั้นสูงแล้วแล้วจะมีอะไรมีให้แข็งแรงมีให้มีประสิทธิภาพสูงมีไปเถอะสิ่งนี้เป็นประสิทธิภาพสิ่งนี้เป็นความสามารถสิ่งนี้เป็นสิ่งดีที่จะรังสรรค์สร้างสรรค์ทำสิ่งดีมันไม่ใช่เรื่องที่จะเอามาบำเรอตนหมดอัตตาไม่ได้บำเรอตนนี่สำคัญหลักเกณฑ์ไม่ แต่ตนต้องมีตนต้องอาศัยได้เยอะเพราะเป็นๆนานาแน่นอนเพราะงั้นมี สิ่งที่ไม่มีก็ให้ชัดเจนว่าอะไรควรไม่หรือกรรมกิริยากรรมกิริยานี่ไม่เที่ยงกรรมกิริยาอย่างนี้เหมาะกับกาลอย่างนี้กับบุคคลอย่าง อย่างนี้เป็นต้นนี้เป็นต้นจะเป็นคนที่รู้จักการประมาณได้ถูกสัดส่วนตาม จะเป็นอย่างไรกันแท้ในลักษณะที่ ขันธ์ 5 ก็ยังยึดจะมีอุปทานในขันธ์ 5 ไม่ใช่ ก็เรื่องของท่านก็บอกกําลังพูดอยู่ตอนนี้นะพระเจ้าเพียงมีศาลว่าถ้าไม่กลัวความตายเจ็บโทษอะไรท่านก็ไม่กลัวก็เรื่องของท่านของใครก็แล้วแต่จะสั่งสมบุญบารมีมาในเชิงไหนเชิงที่ไม่กลัวความตายแต่กลัวไม่ ก็เป็นเด่นไม่กลัวความตายมันฝึกทางโนนมามันก็เป็นเด่นทางโนนก็ไม่กลัวตายเพราะรู้แล้วตายแล้วมันก็ต้องเกิดอีกๆแต่กลัวไม่ได้กิน ที่จริงแล้วอบายก็สอนนะสัมภกับพวกเราเพราะคนบางคนนี่ไม่แตะต้องในสิ่งนี้แตะอบายหรือ เช่นราคะจัดๆก็คืออบายโทสะจัดๆก็คืออบายโมหะจัดๆก็คือเนี่ยไม่อ่าไปเอ่ออะไร มหรสพการละเล่นมอมเมาเดี๋ยวนี้ก็โอ้โหมันน่าทุเรศทุรังการ 15 16 ไปขายตัว 50 กว่า เขาเอามาลงหนังสือพิมพ์ 50 กว่าคนอยู่ในหมู่กลุ่มพวกนั้นน่ะ 20 21 นี่นะเป็นหัวหน้าเป็นเป็นเป็น<า> 2,000 3,000 ถูกหักตัวเองก็จะได้สัก 1,000 นึงหรือ 1,500 เที่ยวผับไปเที่ยวอะไรต่ออะไรคือฟังแล้วเนี่ยมันยิ่งกว่าอะไรหมดเลยน่ะคือมาหอรับศพนี่น่ะ จิตใจของเราเนี่ยอัตมาอธิบายไปแล้วยืนกระทั่งเป็นอนัตตาของเราติดขนาด เที่ยวกันคืนไปเที่ยวๆอย่างนั้นน่ะขนาดนั้นสัมเระรู้อยู่แล้วนะจะเป็นสามีก็ยังงมเมาอย่างนี้นั่นๆกันนี่มะข้อสําคัญก็ แต่เราก็ได้ๆอาจจะไม่ขาดสนิทจะไม่ขาดสนิทอาจจะไม่ถึงอนัตตาแต่ต้องสอบ แต่ทะเบียนกลับอยู่ยังไม่โสดาตะแท้ของใครก็ของใครหลายเรื่องหลายเหตุปัจจัยเพราะ สักกทาคามีทําให้มันเจริญขึ้นไปอีกเจริญขึ้นไปอีกให้ๆจน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 แต่มันนี้บทบาทนี้ๆๆอยู่ในจิตมันไม่ทําหลอกมานานๆทับต่อยไปจริงๆมันก็จะสูญหายไปได้โดยจริงๆ ใครจะไม่เห็นว่าเราเองก็ควบคุมได้โดยง่ายๆสบายมากนี่คือเขตของอนาคามีพอฟังเขตที่ตัดได้ เที่ยงคงแน่มันอาจจะยืดหยุ่นบ้างก็ได้แต่ไม่ตกหรอกมันรูดๆบางนิดหน่อยแต่ไม่อ่ารูดๆแต่อะไรอย่างงี้นะมีรูดบึบบึบ บึบบึบบึบมาไปงี้เลยนี่โซดางี้เจริญกว่าเก๋กว่าใช่มั้ย แต่อย่าให้มันยึดยักได้มันเก๋กว่าบางคนบอกโอ้ไม่ตกเลยผมไม่แม้ได้เลยไม่ว่าเหตุปัจจัยใดอ่ะแค่ไม่กินเนื้อสัตว์นี่ก็ตามแค่เรื่องอื่นเรื่องเครื่องใช้ไม้ซอยเครื่องนนทรีรถ <c oughs> เก็บไปเรื่อยๆจนกระทั่งถึงขีดนึงๆน้อยๆที่วิวไพรๆเป็นเชิงอยู่<ส> อนาคามีก็ต้องปราปูปราคะรูปราคะสรุปแล้วก็คือๆนานาเข้ากันไม่ได้ถ้าเราจะสมานกัน เพราะเป็นฐานอัตตามานะส่วนฐานโสดาเนี่ยมันคือกามปราดกามของตัวเองเข้าสู่สักทาคามิให้มา ได้เปื้อยจนกว่าจะหมดกามหมดกามเรามีๆหรอกเพราะก็ไม่ได้มีสภาวะรองรับเลย นะเพราะอรหันต์ก็ในลักษณะของผู้ที่ตรวจแล้วรูปราคะอรูปราคะก็น้อยถ้าเอาคะแนนรวมพระ ผ่าน 90% แล้วนี่เกรด 4 แล้วนะมีมีอวิมุตตินิดหน่อยเล็กน้อยจริงๆน่ะโอ้โหเจ้าประคุณเอ๋ยมันก็เยี่ยมบริบูรณ์จริงเพราะฉะนั้นโดยภาษาโดยแต่ เข้าเขตจักอนาคามๆแล้วถ้าปฏิบัติๆแล้วคุณจะว่าโอ้เนี่ยเราเข้าเขตอนาคามแล้วอนาคามแล้วเข้าทุกสิ่งไม่ใช่เป็นของคนอื่นกิเลสต้องเอาของแล้วเขเขเข 90% 100% บางคลาวมีอวิมุตจรยังมีความแวบๆน้อยๆก็ถือว่าอรหันแต่อรหันยังไม่ๆๆๆ 100% เท่านั้นเองเพราะฉะนั้น มันมีอะไรไปหมองมันมีอะไรไปเปื้อนเล็กๆน้อยๆน่ะอู้ยคุณจะรีบขัดรีบเช็ดคุณไม่ปล่อยเนี่ยเอ่อจะโทษใครมาทําซะด้วย คิดว่าผู้ชายก็คงฟังออกนะแม้จะไม่ถนัดเพศน่ะไอ้เนี่ยๆลักษณะๆเลยแค่พระพุทธเจ้า 3 ใช่มั้ยข้อ 4 ข้อ 4 ญาณข้อ 4, 4 เด็กรีบ แก้กลับเร็วเหมือนเด็กอ่อนที่ถูกไฟแล้วรีบสลัดออกขนาด เอาล่ะรู้หมดแล้วถ้าตั้งใจฟังไม่หลับนะเอวัง